อันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดของการหลีกเล่นเป็นวันที่สิ้นสุดคือพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติตั้งมั่นอยู่ในธรรมสติสำคัญที่สุดในโลกไม่มีอะไรดีเท่าสติ เราจะทำชั่วเราจะทำดีเราก็มีสติเหมือนกันพอมีสติขึ้นมาได้ปับ๊บเราก็เลิกจากการทำชั่วเพราะเราไม่ทำชั่วสติของเราก็กั้นกา ร, การปฏิบัติที่จะเป็นไปในทางที่เสื่อมที่ตกต่ำได้สติขึ้นมาปับ๊บ เราละได้ทันทีเลยเพรา ะ, ะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่สามารถเอาโทษในเรื่องเพลสติไม่เพลสติไม่ลืมสติพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ น, นะมีสติอยู่ในกายในใจตลอดในกายคือตัวเราในใจคือใจของเรา พาลันจะมีสติอยู่ในใจตลอดเวลาควบคุมการกระทำคำพูดและความคิดของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดอยู่ก็ตามสติต้องแนบนำไปตลอดผู้มีสติก็พ้นจากกองทุกได้เจนมีสติประธานสี่มีสติภาในกายคือในตัวตนของเราเนี่ย กอเห็นว่ากายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นก็มีสติเฝ้ารักษาแล้วออกไปในประตูคอยดูว่าคนน่ะทาชั่วทำผิดคิดชั่วคิดผิดพู ด, พดชั่วพูดผิดเกิดมาจากสตินั่นแหละ สติไม่ทันสติรู้ไม่ทันพอสติรู้ทันก็หยุดทันทีเลยไ ม, ไม่ไม่ทำไม่พูดไม่คิดในทางไม่ดีพูดคิดแต่ในสิ่งที่ดีทำที่ดีนั่นแหละขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใ่ปฏิบัติถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดของชีวิตที่เราได้ มาปฏิบัติครั้งนี้เราแย่งเอาเวลาของโลกมาปฏิบัติธรรมคือทำความดีให้กับตนเองก็เราจะเป็นไปอย่างนี้ได้ก็เหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแต่สำหรับวันนี้เรามั่นใจว่าเราทำได้แล้วเราปฏิบัติได้แล้วเราเห็นโทษของความทุกข์ได้แล้ว เราไม่ติดเราไม่คล้องเราไม่ยึดไม่ถือแล้วใจเราสบายกลับไปก็กลับไปอย่างผู้มีชัยชนะไม่ตกไปสู่ภูมันตำ่ำคนเกิดมาตนกนรกน่ะเท่ากับขนโคคขนโคมากหรือน้อยขนโคคนตกนรกเท่าขนโค คนไปสวรรค์หรือสุขติภูมิมาเกิดเปน็นนตเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินพรหมหรือเขาอ น, นิพานมีเท่ากับเขาโคเนี่ยโ ค, โคตัวหนึ่งมีเขาอยู่เท่าไหร่มีเขาอยู่สองเขานอกนั้นมีแต่คนทั้งนั้นคนที่จะได้พ้นทุกมีน้อยคนตกอยู่ในกองทุกมีมาก มีมากมีเหมือนกับขนโคเนี่ยมันมากขนาดไหนคนไปสู่ทุ ก, กติไปสู่ความเป็นสถิสารสู่ความเป็นเปลดสู่ความเป็นอสุรกายสู่ความเป็นสัตนรกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากมากจริงๆริม บ้านหนึ่งหนึ่งคนที่จะไปสู่อริยภูมีมากมเพราะฉะนั้นใ้ตั้งใจปฏิบัติเรานี่แหละเป็นผู้หนึ่งที่จะหนีจากกองทุกได้เป็นผู้หนีจากกองทุกได้เราได้มาปฏิบัติแล้วให้คิดถึงขวกเขาโคหและคนโกคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ปฏิบัติคนที่ไม่มีมากมีผล คนไม่มีคนที่มีพระนิพพานอยู่ในใจมีเท่ากับเขาโคเนี่ยคนปฏิบัติที่จะได้มากคนนะมีน้อยคนที่ไม่ได้มาปฏิบัติมีมากคนที่ตกไปสุภูวันต่าเพ่าผนโคเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีเราได้โอกาสดีแล้ว เราจงกรรมใช้ชนะที่เราได้นี่ไว้ให้มั่นคงัะได้ทอดทิง้งกลับไปถึงบ้านแล้วก็ให้กําหนดลูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาลมเข้าก็ให้หายใจลมหาใจเข้าลมหายใจออกก็ให้มีสติอยู่เรื่อยคอยดูอยู่เรื่อยอย่างนี้เล้ก็เราเข้าสมาธิอยู่ตรอดทั้งวันเราทําการทํางานอยู่แล้วก็ดูลมหายใจปั๊บใจเราสบายแล้วเราก็ หยุดแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอันนี้สําคัญที่สุดขอให้ตั้งใจทุกท่านทุกคนได้โอกาสดีก่จะได้มานี่ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องดูเวลาต้องดูกันเหมาะขั้นควรกับหน้าที่การงานต้องพยายามขอพระยามอนุญาตก่อจะได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัตินี่ ถ้าคอบคัวผัวเมียก็เหมือนกันผัวไม่อนุญาตเมียก็มาไม่ได้เมียไม่อนุญาตผัวก็มาไม่ได้แต่เท้าอนุญ่าทั้งทีก็มาทั้งสองคนเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็นับดีส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาแล้วนี่ก็ตั้งใจมัน่นให้ดูกิจดูใจของตนเองอยู่เสมออย่าอย่าให้ปล่อยวางอย่าให้ทอดทิ้งทิ้งที่ไม่ดี ให้ละทิ้งแต่สิ่งดีให้รักษาไว้รักษาไว้ที่ใจของเรานี่แหละที่กายที่วาจญาของเรานี่แหละความ ด, ดีให้รักษาไว้ให้รักษาไว้ให้ดี <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องได้เปิดวาจาิจญาได้รับของคืนได้รับสิ่งต่างๆกลับขึ้นมาเพราะว่าเราเก็บไว้เพื่อไม่ให้เกิดความกางังวล ไม่เกิดความสูญหายเอาเข้าตู้เซพตู้ละรักษาไว้เราอย่า ก, กังวลเราต้องได้คืนแน่นอนอันนี้พวกเราทั้งหลายการที่มาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่การมาทำเล่นๆให้ท่านลองสังเกตุสี่เจ็ดวันที่ผ่านมาเราปฏิบัติอยู่นี่เราไม่ได้ทำเล่นเลยเราทำจริงทำจังเอาเด็ดขาดจริงๆกับตัวเอง ไม่จะทานั่งก็ไม่เปลี่ยนนั่งแบบไหนก็เอาแบบนั้นสู้อยู่จนตลอดชั่วโมงอดทนอย่างนี้ได้ก็นับว่าเป็นยอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัตินี่ปฏิบัติเป็นไปแล้วหน้าตาจะสดใสดูพองผิวพ่องพันทิวพันธุ์ผุดพองดีอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากหลักธรรมะที่มีในใจของเราคือความสงบใจใจสงบ ใจเป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวใจไม่คิดนึกผูกแต่งในเรื่องต่างๆมีความตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอลมหายใจหายไปก็เลือดแต่รู้เราก็รักษาวความรู้นั้นไว้นี่ถ้ามันเป็นนา น, านๆบ่อยๆดีแล้วก็พิจารณาร่างกายให้เห็นมันอย่างที่ผู้ช่วยงานทำเมื่อคืนนี้ธรรมาเทศให้ฟังขอเทศเรื่องฉลอม แลอมคือการแยกตัวแยกตนของเราเหมือนแลอมฉลอมที่ใส่ผลไม้ขายทำาข้างทางข้างถนงถนที่เขาทําขายนะให้นึกถึงแลอมฉลอมมาจากไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาจากเป็นตอกแล้วก็สารกันขึ้นสารขึ้นมันในบ้าไม้ไผ่แล้วทีนี้มันเป็นมันเป็นแลอมแล้วเขาแยกออก แยกสลอมออกได้ยังไงเมื่อเอาสลอมนี่ใส่ผลไม้แล้วลองเลาแล้แยกออกดูออืกินผลไม้หมดแล้วลองแยกสลอมดูสลอมมันอยู่ตรงไหนเนลองแยกออกดูเอาเอาที่มันขาดกันออกทีละอันล้านล้า น, านในที่สุดสลอมก็หายไปสลอมหายไปไม่มีสลอมเลยสลอมหายไป ให้สังเกตดูว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ก่อนมันเป็นฉลอมพอเราเอาตอกออกหมดฉลอมก็หายไปเหลือแต่ตอกตอกนี่ก็เราอยากให้มันรู้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกเออมันเป็นตอกนะฉลอมก็หายไปแล้วรู้ว่าไปอยู่ไหนเหลือแต่ตอกมันนเราเอาตอกนั้นไปบดอีกทีหนึ่งสับดีดีโคกดีดีสับสับ ส, บ ส, บ ส, บสบัแล้วเอาไปโคกในโคกหินโคกไปโคกไปก็ ตัวตาไปตาไปลึกโขกไปโขกไปมันเป็นฝุ่นเป็นผุ๋เผยเป็นผงแล้ววันนี้เราจะเรียกว่าชะลอมุเรียกได้ไหมเราเรียกต่อเรียกได้ไหมมันเป็นฝุ่นน่ะมันเป็นฝุ่นละเอียดละ่ะยกขึ้นมาเป่าหุยเดี๋ยวหายไปกับตาเลยนั่นตัวตนเราไม่มีแล้วอัตตาไม่มีแล้วมันเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนที่จะเราจะยึดถือเอาได้เราสังเกตดูตัวของเราเนี่ยนี่ว่าตัวของเราจริงๆตัวตนของเราจริงๆแต่เราต้องการที่จะให้เห็นว่าตัวตนได้มีเนี่ยทํำยังไงลองเอาเนื้อเอาหนังออกหมดดูสิเอาหนังออกหมดเลือดเต็เนื้อเต็มไปหมดไปเลือดแดงช้านตัวตัวแล้วก็เอาเนื้อออกหมดเอาเนื้อออกหมดแล้วก็เหลือแต่กระดูก กระดูกกระดูกก็เอาไปเผาไฟทั้งเนื้อหนังมังสาก็เอาไปเผาไฟเอากระดูกไปเผาไฟพอเผาไฟแล้วตัวตนของเราก็หายไปอีกยังไม่มั่นใจเอามาโขกให้ละเอียดาปนี่ให้ละเอียดเลยเป็นผุยเป็นผงเลยไปนี่เอาใส่กระดง้งแล้วสลัดขึ้นฟ้าควนขโมองเลยนั่นตัวเราอยู่ไหนตัวเราไม่มีเลย ความยึดคมถือที่มีอยู่เพราะมีตัวเราพอเห็นว่าตัวเราเป็นของเราเมื่อเราพิจารณาดูดีๆแล้วมันไม่มีคําว่าตัวของเราเลยนั่นนี่แหละคือทางที่จะทำให้ดับความทุกข์ได้คือความไม่มีตัวตนไม่มีตัวมีตนมีอัตตาอะในตัวของเรานี่เลยมีแต่อนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ยึดถือว่าตรงนี้เป็นเราตรงนี้เป็นเราแขนเป็นแขนของเราขาเราจมูกเราปากเราลิ้นเรากายเรามันไม่มีสักอันมันหมดเลยมันแฉอบเราจะไปเรียกว่าไม้ไผ่ก็ไม่ได้มันเป็นแฉอบแล้วแะลอ ม, มันหายไปเอาตอกออกจากกันหมดมันก็มีเศษตอกไว้ตอก น, นั้นเอาไปโขกไปบด ราไละเอียดมันก็เป็นผุยผงมันเป็นผุยผงแล้วลองเป่าดูสิเอามาเป่าเป่าฟุ้งควนกุ้มเลยมันดูปันหายไปไหนมาเลยเหมือนกันนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจาณาเข้าไปให้ดีให้เห็นชัดในตัวตนของเราว่าเพราะตัวของเราเนี่ยเรมาเกิดมาเกิดมาเก็บมาเก็บมาตายในโลกนี้ เกิดยังไงตั้งแต่ปฏีสนธิวิญญาณในขันมานดาห น, นเราเริ่มเกิดอะเริ่มยึดละเอายึดคนนี้แหละเป็นมารดายึดถคนนี้แหละเป็นบิดาแต่ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเรายึดยังไงเราก็มายึดถือเอากายนี้เกิดในขันมานดาของของเรานี้เรื่อยมาจนได้ข้อจากขันมานดาเขาเดินสิบเดือนข้อจากขันมานดา ออกมาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเด็กเล็กไม่รู้เรื่องเรียงสาอะไรเลยจนเป็นผู้ใหญ่จนเป็นผู้มีอายุขึ้นมายี่สิบสามสิบอายุสูงขึ้นมาอีกกันสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยใครก็ตายไม่ใครก็ตายนั่นแหละให้พิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นชัดว่า ตัวตนของเราอันนี้ไม่มีจริงๆมันไม่เที่ยวมันเป็นทุกเป็นนาตาจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นความจริงเราปฏิบัติตามได้จริงสามารถชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ได้แต่มั่นใจเลยว่าทุกท่านทุกคนมาปฏิบัติคราวนี้ได้รับความสงบพ่อเพียงสำหรับจะต่อสู้ในโลกต่อไป แม้ตายไปแล้วก็คงจะไม่ตกต่ำต้องไปสุขติีเป็นแน่นอนเพราะว่าเราตั้งอยู่ในสินในธรรมในข้อปฏิบัติอันดีแล้วจิตใจเราสงบแล้วอืมเราจะถึงความสุขความจเจริญแน่นอนีนอัตมามั่นใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ขอโอกาสพูดอย่างนี้กับท่านทั้งหลายให้พาคันตั้งใจปฏิบัติหลังจากเข้าไปแล้ว ก็ไปสู่บ้านสู่เรือนแล้วก็ให้ท่างแก่ปฏิบัติริงๆให้ปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าทิ้งไปให้คอยดู่เรื่อยมีเวลาว่างก็คอยดูปับเมื่อกระทบอารมณ์ก็คอยดูปับที่เราจะสงบทันทีจะไม่มีเขามาบสองสามสี่ปีไม่มีการต่อว่าไม่มีการทักท้วงไม่มีการโต้แย้ง เราเอาสติของเราเป็นใหญ่อยู่ในสติปั๊บทันทีเลยพอเราเห็นกระทบอารมณ์ปับ๊บจะเลยทส่งไปตามสิ่งที่มากระทบให้ตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกทันทีเอาสติปับ๊บเข้าไปใส่ลมตั้งสติปั๊บใส่ลมเรื่งองต่างเรื่องดีก็ตามเรื่องร้ายก็ตามหลุดออกูหลุดออกจากใจของเราหมดเลยใจของเราจะสบายสบายเยือกเย็นดูภายใน คิดว่าท่านทั้งหลายคงทําได้กันทุกคนที่ทําไม่ได้จะมีอยู่หรือถามมหามชานี่เขาไม่เห็นมีสักคนมีแต่คนทําได้หมดนั่นแหละทําเป็นหมดแล้วขอให้ทัานแก่ปฏิบัติเรื่อยๆไปอย่าดินท้อถอยอย่าหมดกําลังใจในการปฏิบัติเพราะว่าการเดินทางยังมีเยอะอีกหลายสิบปีกว่าเราจะจากโลกนี้ไปเราถ้าเราทําไม่ท้อไม่ถอยไม่หยุดไม่ย่อน เราก็ต้องได้รับความสุขอย่างแน่นอนเพราะให้ส่าหลายตั้งใจปฏิบัติต่อไปอย่าได้ประมาทกันถือว่าการทำอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่จำเป็นเรื่องสําคัญเรื่องไม่สําคัญนี่แหละคือเรื่องสําคัญแหละนี่ใจจะขาดนึกถึงธรรมะได้นึกถึงพุทธเจ้าได้นึกถึงวพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไ ด, นานานาได้นึกการถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราได้นั่นเนี่ยเราจะได้ ช, ชนะหรือพ่ายแพ้กับตรงนั้นเนี่ย ถ้าเราหยุดปั๊บเห็นใจของเราสงบเห็นใจของเราสบายเห็นใจของเราปล่อยวางนี่แหละคือทางที่เราต้องการที่สุดในโลกเลยทำไมจังว่าทางที่สุดต้องการที่สุดในโลกก็คือว่าเราต้องการไปสูขติก็ไปสู่วัติีได้ทันทีเนี่ย ใ, ใจเราจะสบายเยือยกเย็ยนสงบสบาย รื่นเริงบันเทิงอยู่ภายในไม่ต้องทุกข์ร้อนวเราจะไปสู่ผู้บรชัวอันต่ำให้มีผู้ปฏิบัติได้แล้วเป็นแล้วมีแต่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยนี่จะให้ปฏิบัติไปเรื่อยให้ทําไปเรื่อยอย่างนี้แหละขอให้ ท, ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติต่อไปอย่าท้อถอยตลอดไปขอให้ตั้งใจปฏิบททัติให้ตลอดไปทุกเมื่อเชื่อวัน มีความสุขความเจริญต่อไปทุกท่านทุกคน